พอนอบน้อมตัอคุณพระรัตน์ตไรขอโอกาสเพื่อนสัมพันรรมิตทุท่านจเจริญธรรมม่ชีระยะที่ทำทุกท่านก็จริงๆแล้วในศาสนาต่างๆในโลกนี้นะในลักษณะทั่วๆไปมีความเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่นะคือความเป็นเทวนิยม จะมีพระผู้มีเป็นพระผู้มีพระมีจะมีพระผู้เป็นเจ้ามีพระเจ้าซึ่งเ ป, เป็นเป้าหมายสูงสุดที่เป็นความศรัทธาสูงสุดของศาสนาพุทชนต่างๆเหล่านั้นและโดยเจตนาส่วนใหญ่ก็เป็นการประพฤติเพื่อที่จะเป็นความ แสดงความจงรักภักดนะีเพื่อให้เกิดความพอใจแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติทรมานตนต่างๆนะเพื่อนะเพื่อที่จะให้เป็นความพอใจของพระผู้เป็นเจ้าระดับหนึ่งนะแล้วก็เป็นการไถ่บาปอีกระดับหนึ่งนะหรือเป็นการทำความดีต่างๆนะเพื่อที่จะให้จิตวิญญาณตัวเองสูงขึ้น โดยเป้าหมายส่วนเนื้อคือการได้ไปอยู่กับพระพุทนเจ้าหลังจากที่สิ้นไปจากโลกนี้แล้วนะอันนั้นน่ก็คือความศรัทธาของาชาวที่อยู่ในศาสนาต่างๆนะที่ว่าพุทศาสนิกชนเหล่านั้นจะมีจุดมุ่งหมายในการที่จะไปรวมเป็นหนึ่งนะหรืออยู่ในอาณาจักร ของพระวิญ้าเหล่านั้นนะซึ่งจะเป็นความสุขนิรันดร์แต่ในพูทธสนานี้จริงๆแล้วถ้าเทียบในลักษณะบางนั้นก็จะไม่ใช่ศาสนาเนะพราะศาสนาก็คือหมายความว่าลักษณะเป็นเทวนิยมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพระวิญญานั้นท่านมาจากบุรุชนนะเป็นบุรุชนซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านก็ได้รับอานัตจากพระผู้เเจ้าแต่อย่างใด นะแต่จากความเป็นปุโุชนเหล่านั้นนะท่านก็มานะได้มาค้นคว้ามาศึกษามานะดูหนทางนะจริงๆว่าความทุกข์เป็นอย่างไรนันะนี้เกิดจะปัญญาที่แท้จริงนะเพราะว่าคนสนใจก็เห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะนั้นไม่มีใครสนใจในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าต้องการที่จะไปสู่ความ เป็นรวมกับพระพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่นะแต่พรุทธเจ้ากลับมามองเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะแต่เป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องผิดธรรมดานะแล้วได้ทรงเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือความทุกข์นั่นเองนะตามใดที่ยังมีความเกิดอยู่ตามนั้นก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนะอันนี้ก็คื อ, อ ปัญญาในตรงนี้นะคือคนสใหญ่ก็จะเห็นว่าความเกิดก็เป็นความสุขกันนะอย่างเช่นตอนนี้ถ้าใครมีลูกหลานเกิดขึ้นมาก็จะดีใจนะแต่ถ้าใครนะที่จากไปญาติผู้ใหญ่ต่างๆจากไปเราก็เสียใจนะมันกลายเป็นการมองเห็นตรงข้ามนะจากกับผู้เจ้าเนาะ เ่าการที่ทรงเห็นเราเนี่ยอันนี้คือปัญญาที่แท้จริงนะเพราะนั้นก็เลยหาทางว่าทำอย่างไรเราจะไม่มาเกิดใหมนะ่แล้วก็ทรงศึกษาวิธีการต่างๆจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆไปจนกระทั่งถึงอาราระดาบทเลโาทกดาบทซึ่งถือว่าสูงที่สุดแล้วนะในระดับที่ได้เคยทรงศึกษามาถึงระดับอาอรูปิชาน7และ8 ที่ว่าเป็นสมาธิที่สูงที่สุดแล้วแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงมีปัญญาในระดับนั้นออกว่านี่ก็มันไม่ใช่ผลทางพ้นทุกข์นะเพราะามันก็ยังเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่ามันจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกนะเมื่อจิตยังทรงอยู่ในรูปฌานะก็ไปเกิดในรูปภพนะซึ่งมีอายุยืนยาวมากนะ ทีหลังญาี่ทรงตัดสรุู้ใหม่ๆนะก็พิจารณาว่าผู้ใดควรจะรับธรรมในระดับนี้นะก็พิจารณาไปถึงอารา ะ, ะดาบทเลอดกดาบทนะก็ปรากฏว่าเพิ่งจะมรณภาพไปท่านก็เลยสงสานว่านะชิบหายเสร็จแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ไปเกิดเป็นอรูปผมซึ่งมีอายุยืนยาวมากนะคือพระเจ้าจะมาตัดสัู้อีกหลายๆองค์ก็ไม่มีโอกาสลงมาเกิดนะ ม, ามาฟังธรรมอันนี้นึงว่านะ มันเป็นมันเป็นสภาวะที่มัน อ, อยู่ในวัดองศานะยังไม่ออกมานะเมื่อหมดจากาหมดจากชาติคือรูปผมในตรงนั้นก็ต้องมาเวียนบ้ายตายเกิดใหม่นะมันก็ไม่พ้นทุกข์ที่แท้จริงนั่นะนี่คือปัญญาของพระเจ้าเลยที่ได้ท่งเห็นในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นสภาวะที่มันเป็นพบเป็นชาตินั่นเองนะมันเป็นสภาวะที่มันละเอียดเป็นเป็นชาติที่ละเอียดที่ยังไม่ได้ปล่อยไม่ได้ว่าง จากขันท่าจริงๆจากการที่ไมย่ยึดมั่นซือมั่นสิ่งต่างๆจริงๆนะตรงกับค้นคว้าต่อไปนะในความสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะจนทั้งเราก็ได้เข้าใจกันแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงตัดสัตว์อะไรนะนี่ก็คือที่ว่าว่าเป็นความจริงก็คื อ, อิยตรฤๅษีสัตว์นะคำว่าฤๅษีสัตว์ก็คือความจริงนั่นเองนะความสิ่งความจริง4ประการกนะ็คื อ, ค อ, คอทุก สมุทยัยนิโลมกมรรคที่เราได้ได้ศึกษาไปแล้วนะคราบนี้สิ่งที่พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นในตรงนั้นนั่นแหละนะได้ทรงพบศัจนะธร ร, รมนะซึ่งสัจธรรมนี้ก็มีในโลกมาก่อนแล้วนะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก่อนนะก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรลุสอีกแต่เพียงแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงเข้าไปเห็นความจริงนะในศัจธรรมเหล่านั้นนะสัจธรรมเหล่านั้นก็นะ เป็นความจริงตามธรรมชาตินะที่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่ปรากฏขึ้นในธรรมชาติแก่พวกเราทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตเห็นไหมนะธรรมชาติเหล่านั้นคืออะไรก็คือความไม่เที่ยงนะทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงทั้งหมดนะแล้วก็ทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ทั้งหมดนะมันมันถูกถูกอัดอถูกบีบถูกบีบคั้นนะจนมันทนในสภาวะเดิมไม่ได้ นะเพราะนั้นมันจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนสภาพไปนะตรงนี้คือความจริงของธรรมชาติทั้งหมดนะแล้วมันก็บังคับบัญชาไม่ได้นะ ส, สภาวะทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งหมดเมืนะ่อบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งหมดมันก็จึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตเราเขานะตรงนี้คือความจริงนะความจริงใ น, ในการให้กลับมาย้อนนะกลับมา คือความจริงในธรรมชาติเหล่านั้ น, นเป็นสิ่งที่เราเห็นไหมนะเห็นธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นไหมแล้วเมื่อเห็นธรรมชาติเหล่านั้นเรากลับมาย้อนเข้ามาดูที่ตัวเราเองได้ไหมว่าตัวเราเองก็ตกอยู่ในสภาวะธรรมของธรรมชาติเหล่านั้นทั้งหมดนะคือความเป็นจังทุกขังนักตาเนะนี่คือนะภูมิปัญญาของพระเจ้าที่ได้ทรงเข้ามาเห็นในตรงนี้นะแล้วเมื่อเห็นตรงนี้ ตรงนี้แล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าธรรมะทั้งทั้งหลายก็ขยายไปจากตรงนี้ทั้งหมดเลยสภาวธรรมทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งหลายนั้นเกิดจากความจริงตรงนี้ทั้งหมดแล้วมันก็ขยายไปเมื่อเห็นตรงนี้แล้วก็เรียกว่าเราดได้ดวงตาเห็นธรรมในระดับหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อกําเขียนนก็มีบอกไว้ว่าธรรมะคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจธรรมะผู้ที่เข้าใจธรรมชาติีแท้ทจริงก็สามารถบรรลุธรรมได้ ตรงนี้จึงเป็นความจริงในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในในสมัยพุทธกาลก็จะมีจุนบรรดกนะจุนบรรดกก็เป็นผู้ที่มีจําอะไรไม่ค่อยได้นะคือท่านอาจจะจําไม่ค่อยแม่นนะก็อยู่กับพี่ชายคือมหาบันดกนยอยู่เป็นเวลาหลายเดือนนะพี่ชายก็ให้ท่องคาถาแค่สี่บาทเท่านั้นก็จําไม่ได้นะพระพี่ชายก็เลยไ ล, ไล่ไล่ออกจากสํานัก จุลบันโด ก, ก็มีความเสียใจนะแล้วก็อยากจะลาศึกนะตอนหลังเบ้เจ้าก็ทราบก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะก็จําอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้พักขาวไปแล้วก็ไปเอาไปคลึงเอาไปคลึงนะคลึงไปคลึงมาก็ผ้าสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีดำํำจุลบันโต ก, ก็มาพิจารณาเห็นว่ามันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะก็คือมัน มีความเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันเป็นสีขาวเมือ่อเมื่อถูกไกลกับเราซึ่งมีความหมองคล้ำมันก็กลายเป็นสีดำํำร่างกายของเราก็เช่นกันมันก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงมันกับผ้าอันนี้เหมือนกันเมื่อกลับมาย้อนที่ตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เลยบรรลุลเป็นพระรหันนี่ก็คือมาดูความจริงในความเปลี่ยนแปลงหรือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ มีลูกศิษย์ของพระสาลีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นผู้ที่มีปัญญามากนะก็สอนลูกศิษย์คนนี้ที่เป็นพระบทใหม่ให้พิจารณาสุภะให้เห็นความโสกโกกของร่างกายนะแต่พิจารณาไปหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ไมเข้าใจทำไม่บรรลุธรรมตอนหลังนะก็พระพุทธเจ้า ก, ก็มาโปรดนะ ก, ก็ให้พิจารณาดอกบัวแทน พิจนาดอกบัวแทนพระนี่ก็พิจนาดอกบัวจากดอกบัวที่เคยสวยงามหลังนั้นก็ค่อยๆร่วงโรยค่อยๆเหี่ยวเฉาจนมีสภาวะที่ไม่เหมือนเดิมพระองค์นี้ก็พิจนาเห็นถึงความไม่เที่ยงดอกบัวก็กลับมาพิจนาตัวเองก็เช่นกันนะมันก็เป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็ยังเป็นแบบนี้อยู่หน่อยก็ต้องร่วงโรยไปก็ต้องแก่ก็ต้องเหี่ยวเฉาไปเมันดอกบัว มันเป็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงมันทนในสภาวะเดิมไม่ได้ในสุดก็บรรลุเป็นพระยเจ้านะอันนี้ก็คือคือความจริงในสภาวะอย่างหนึ่งว่านี่แหละถ้าเราเข้าใจในความไม่เที่ยงเท่านั้นเองนะเราก็มีโอกาสบรรลุเป็นพระยเจ้าได้เช่นกันนะนี่นี่คือความจริงที่ว่าเป็นการขยายธรรมที่มันแตกต่างออกไปในลักษณะต่างก็มาจากตรงนี้นั่นแหละอันนี้จังทุกขั้นตะา ครั้นี้นะก็คือความจริงในตรงนี้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันบังคับบัญชาไม่ได้นะมันจึงไม่ตัวเมตตนของเรานะตรงนี้ก็คือกระแสอย่างหนึ่งที่ว่ามันจะไหลไหลไปตามกระแสธรรมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นนะกระแสแห่งพระไตรักหรืออนิจจังทุกขนะตาเนี่ยมันจึงเป็นกระแสอย่างหนึ่งนะที่มันเหมือนกับกระแสน้ําที่ไหลจากภาคเหนือลงไปแม่น้ําเจ้าพยาคือไปออกแม่น้ําเจ้าพยานะ ไหลจากเหนือไปใต้นั่นเองนะมันเป็นกระแสเช่นนั้นนะเพราะนั้นเราจึงไม่มีหน้าที่ไปไปทวนกระแสนะทวนกระแสก็คือเราเราไม่ยอมรับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนะคือทุกอย่างมันมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะเพราะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่ทุกข์ก็คือเราก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นแหละเราก็จะมีความทุกข์เป็นธรรมดานะ เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะอย่างที่ว่านั่นแหละทุกๆอย่างไม่ไม่เฉพาะตัวเรานะคนที่เรารักนะเราไปยึดติดทั้งหลายเขาก็ไม่เที่ยงเช่นกันวันใดที่คนที่เรารักเราไปยึดติดเหล่านั้นนะเขามีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นนะเช่นไม่สบายป่วยไข้มีความตายเกิดขึ้นนะหรือเขารักเรานะแต่เมื่อวันหนึ่งเขาเปลี่ยนแปลงไปว่าเขาก็ไม่รักเราต่างๆเหล่านี้เราก็มีความทุกข์นะ หรือตัวเราปกติดีอีกหน่อยอาจจะเป็นโรคร้ายแรงสักก็โรคหนึ่งนะนั่นก็คือถ้าเราไม่ยอมรับมันก็มีความทุกขนะ์เพราะฉะนั้นติตคนเราถ้าไม่ยอมรับความจริงในสิ่งเหล่านี้เราจะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะมีความทุกข์เรื่อยๆนะเพราะว่าทุกอย่างมันมันไม่เที่ยงทั้งนั้นนะตัวเราก็ไม่เที่ยงนะสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าสัตว์บุคคลต้นเราเขามันก็ไม่เที่ยงนะแต่ถ้าใจเราไหลไปต่างกรแสที่เราเข้าใจ มีความเข้าใจโดยตัวของเราเองแล้วนะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันก็จะไหลไปตามกระแสได้เองนะมันก็จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวเราตัวเขาสิ่ง ต, งต่างมันจะยอมรับไปนะในตรงนี้มันก็ความทุกข์ก็จะน้อยลงนะหรือจริงๆแล้วมันก็ จ, จะไม่ทุกข์เลยก็ได้นะี่เพราะทุกอย่างมันย่อมจะเป็นไปตามเช่นนั้นอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราไปเข้าใจนะหรือว่ายอมรับในตรงนั้นไหมนะ ในเมื่อเราเราเข้าใจในตรงนี้นะในในความที่เรียกว่าไม่ตัวไม่ตนของเรานะบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้ใจก็จะเกิดการยอมรับสิ่งต่างเกิดขึ้นมาทุกอย่างนะอย่างเช่นยอมรับความไม่เที่ยงนี่แหละนะยอมรับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในใจของเรานะมันเห็นสภาว่าอย่างหนึ่งที่เราบังคับก็ไม่ได้นะเช่นความคิดต่างๆนะถ้าเราไปบัรรมเราก็จะเห็นความคิดนะที่เขานะคิดบ่อยๆนะบางทีก็ คิดเป็นหลายๆเรื่องนะเราก็อาจจะมีความทุกข์จากการที่ว่าเราทําไมคิดเยอะนะทําไมไปบัตรมาต้องนานแล้วนะเขาก็ยังหลงอยู่นะนีตรงนี้แต่ถ้าเรามีความเข้าใจในสภาวะที่เราเขาให้เห็นความจริงมากกว่านะคือความจริงที่ว่าเราบังคับก็ไม่ได้นี่แหละถ้าเรากลับไปเห็นความจริงว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเพราะเรื่องความคิดกับเรื่องธรรมดาที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ เราก็ไม่ทุกข์ในตรงนั้นนะแต่เรากลับมาเห็นความจริงตรงนี้บ่อยๆนะว่าเราบังคับก็ไม่ได้นี่มันกลับกลายว่าเรากลับมาเห็นความจริงนะหรือเราไปบัตทธรรมแล้ว ม, มันก็ตกอยู่ในกฎภัตติลักษณ์นะเมื่อวานนะมีสติดีวันนี้สติไม่ค่อยดีนะเมื่อเช้ามีความรู้สึกตัวดนะีตอนบ่ายไม่ค่อยรู้สึกตัวอันะนี้บางคนถ้าไม่เข้าใจก็จะมีความทุกข์นะี่ทไม ทำไมเป็นแบบนั้นทำไมมันไม่ดีเหมือนกับเมื่อเช้าหรือเมือเมื่อวานนะเราก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะความทุกข์เล็กๆน้อยก็ชื่อว่าเป็นความทุกข์น ะ, ะมันเป็นสภาพว่าย่างหนึ่งที่ว่าเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะแต่เรากลับมาเป็ น, ปนความทุกข์แทนนะหรือบางคนปฏิบัติมาหลายปีแล้วนะมันทำไมไม่ดีถาวรนะมันไปถึงไม่เห็นร่มเห็นนามต่างๆเหล่านี้นะ นี่คือใจที่ยังไม่ยอมรับความจริงนะแต่ถ้าเราเรากลับมาเห็นแทนที่เราจะมีความทุกข์เรากลับมาดูเออจริงๆแล้วเขาแสดงความจริงเราเห็นต่างหากนะแสดงว่ตใจรักเราเห็นแล้วนะว่าเราบางังคับบัญชาเขาไม่ไดนะ้เขาจึงไม่เที่ยงเขาจึงไม่ดีถาวรนั่นเองนะเขาก็แสดงความเปลี่ยนแปลงว่าบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดนะีตรงนี้มันแทนที่ว่าเราจะมีความทุกข์เรากลับเกิดปัญญาในการเห็นความจริง แล้วก็เห็นบ่อยๆนะนะหรือแม้แต่บางครั้งเราอาจจะมีอารมณ์โกรธนะคือความโกรธนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่ามันไร้าแรงอะไรไนะม่เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองนะนะก็เมื่อจิตไม่ใช่ของเราแล้วความโกรธก็จึงไม่ใช่ของเราด้วยเนะี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปให้ค่ากับเขาทนะําไม่ไปบัติมาสต้องหลายปีแล้วนะเรายังโกรธอยู่นะอย่างเช่นเมือ่อนะประมาณเลิกเดือนต่อเดือนก็มี คนนึ่ก็มาหาบอกว่าไปบัติธรรมม่ต้องนานแล้วรู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าเลยถามว่าทําไมไม่ก้าวหน้าเขบอกว่าเขาก็ยังมีความโกรธมีความหลงอยู่เป็นประจานะตรงนี้ ก, ก็ก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าตรงนี้เขาเขาไม่เข้าใจในพราหมณ์ธรรมจริงๆว่าระบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะแลวเพราะไม่เข้าใจฉะนั้นเขาจึงรู้สึกว่าเขาไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเขาจะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่นะ แต่ถ้าเราเข้าใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะความโกรธก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเองเพียงแต่เราไปให้ค่ากับเขาไหมนะในเมื่อจิตไม่ใช่เราความโกรธซึ่งเกิดจากจิตก็จึงไม่เชิงเราด้วยแล้วอย่างหนึ่งเขามาแล้วเขก็ไปนะถ้าเป็นของเราเขาก็ยังอยู่เรานานๆนะอยู่เราตลอดการเลยนะเป็นของเรานี่ใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้อยู่เราตลอดการนะก็อยู่เราสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ไปนะอยู่ว่าเราให้ค่าหรือไม่ให้ค่าเท่านั้นเองนะถ้าเราไปให้ค่าเขาก็จะอยู่เรานาน แต่เราไม่ค่าเขาก็ไปเขาเองมันก็แขกแขกมาเยี่ยมเรานะเราไปเลี้ยงดูปูเสือเขายัางดีเขาก็มาหาบ่อยๆนะหรือเข้ามาแล้วเราก็ไปไล่เขาหนีนะเขาก็โกรธทีหลังเข ก, ก็มาอีกนะเพราะฉะนั้นแขกมาเราก็แค่ไม่ให้ค่าก็รู้เฉยก็พอแล้วนะเขาจะอยู่เขาจะไปก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะนะแขกก็เหมือนกับอารมณ์อย่างหนึ่งนะั่นแหะคือความโกรธเป็นต้นนะเขาก็มาแล้วก็ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา เราไม่ต้องไปกําจัดเขาเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเขาไหมเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ในระดับหนึ่งของนักปฏิบัติก็คือพยายามไปกําจัดกิเลสนะพยายามไปกําจัดความโลภความโกรธความหลงนะอันนีมน้มันเป็นเรื่องที่ธรรมดานะธรรมดานะแล้วก็กคือความเป็นปกตินี้เมื่อไม่ปกติเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็พยายามทําให้เป็นปกตนะิให้เขากลับมาโดยความพยายาม นะโดยความพยายามให้ปกตินั่นลหละคือความทุกข์แล้วนะนะเพราะมะีมีความอยากที่ไหนนะมีความอยากอยู่ตรงไหนนั่นล่ะคือความทุกข์แล้วนะจิตมันมีการดิน้นรนนะมันเป็นการดิน้นรนของจิตอย่างหนึ่งนะตรงนี้เราเห็นไหมในการดิน้นรนที่จะกระจัดกำจัดนะความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละคือความทุกข์แล้วนะแต่ถ้าเราเข้าใจนะ ก็คือเราก็อยู่กับเขาได้นะจิตที่ขึ้นคือลงลงความโลบความโกรธความหลงเราก็อยู่กับเขาได้นะอยู่ด้วยความเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นเองนะมันไม่ใช่ของเราความโลบความโกรธความหลงมันไม่ใช่ของเรานะก็เขาก็มาย่อมชั่วคราวเท่านั้นเองนะเราก็ไม่ฆ่าเขาไปนะมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่ได้ความมันก็ไม่ได้มีความทุกข์กับความโลภความโกรธความหลงแต่ว่าเราก็อยู่กับเขาได้ นะอยู่เข้าโดยที่มีความเข้าใจนะว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราแล้วก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่อย่างใดเพราะว่าตัวตนนี้ก็ไม่ใช่เราตั้งแต่ตนแล้วเหมือนกันนะนะมันมันก็เลยกลายว่าเราก็ไม่ทุกไปนะสิ่งใดที่เรามีความพยายามในใจของเรานะมีความอยากมีความต้องการนั่นแหละคือความทุกข์ มาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ไหมความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเป็นความเปลี่ยนแปลงแล้วจิตเรามีน้ำหนักจิตเราดิ้นรนนั่นแหละคือความทุกข์แล้วเพียงแต่เราไปยอมรับเท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์มันเป็นสภาวะที่มันเป็นปกติและเป็นความเป็นกลางแต่จิตที่ไม่เป็นกลางมันจะมีการดิ้นรนไปติดอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะความไม่เป็นกลางนั้นเราเราเราคิดว่าเราดี คิด่เราดีมันก็ต้องมีคนไม่ดีนะนะคิดว่าดีก็ต้องมีคนที่ไม่ดีนะเราก็จะไปดูว่าเออเาไม่ดีนะนะไปเพ่งโทษเขานะเพราะเราไปติดดีนะ น, นี่คือ ค, อความดิดหรดของจิตความที่ไม่เป็นกลางแล้วเราก็จะมีความทุกข์เองนะเราไปติดในความถูกนะ <S <S ก็จะมีความผิดเกิดขึ้นนะเพรา ะ, ะนั้นใครที่ทำผิดเราก็จะไปเพ่งโทษเขา นะนี่ะคือความทุกข์เองแล้วนะเพราะว่าเราไม่เป็นกลางเองเราไปติดในความถูกนะเพราะนั้นความเป็นกลางคือมันไม่ติดในสภาวะดำใดๆนะทั้งถูกผิดดีชั่วทั้งหมดมันคือคือเหลี่ยมคือมุมนะที่เราไปมองเห็นในตรงนี้ไหมนะถ้าเรามองเห็นมันก็มันมันก็ไม่ติดมันก็เป็นการปล่อยการวางไปเท่านั้นเองนะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่เพื่อให้เราดีหรือเพื่อเราถูกหรือเพื่อเราวิเศษ นะเพื่อเราเก่งนะอันนั้นมันก็เป็นมุมที่เราไปติดอยู่นะแต่โดยภาวะธรรมจริงๆแล้วมันก็เป็นการปล่อยการวางมากกว่านะมันมันไม่เจตนาที่ไปปล่อยไปวางด้วยนะถ้าเจตนาไปทําสักอย่างหนึ่งมันก็เป็นความทุกข์แล้วนะคือการดิ้นรนของจิตแล้วแต่อยู่ในความที่เราเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมนะแล้วเมื่อไม่เข้าใจมันก็จะวางกับมันเองนะอย่างที่หลงวงพ่อคำแก่นเออบอกว่านะการปล่อยการวางนี้นะก็เหมือนกับ แม่น้ำํำนแะม่น้ำสายใหญ่ซึ่งไหลออกสู่ทะเลคลนะองเล็กคลองน้อยก็มารวมในแม่น้ําแล้วแม่น้ําก็จะนําน้ําทั้งหมดออกสู่ทะเลได้ฉันใดนะการปล่อยการวางก็คือมันจะนําำสิ่งต่างๆนะที่เป็นกิเลสทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลได้ทั้งหมดเช่นนั้นเหมือนกันนะการปล่อยวางมีความยิ่งใหญ่เสมอแม่น้ำเจ้าพยานะที่มันจะไหลลงสู่ทะเลได้หมด มันก็จะนํำสิ่งต่างในความยึดติดหรือความทุกข์ไหลลงสู่ทะเลได้ทั้งหมดเลยเช่นกันนะตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ว่าเราสังเกตได้ไหมในจิตของเราที่มันมีความยึดติดในบางอย่างที่มันละเอียดละเอียดอยู่เนาะหรือแม้แต่เราเป็นนักปฏิบัติแล้วนะมีใครบอกว่าเราไม่มีสตินะเราก็จะมีความโกรธในขณะที่คนเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ไม่โกรธในตรงนี้นะนั่นก็คือความยึดติดแล้ว นะว่าเราต้องดีคนอื่นนะเราเป็นนักไปบัตรก็ต้องดีคนอื่นต้องวิเศษกแบบคนอื่นต่างๆเหล่านีนะ้อันนี้ก็คือความเป็นตัวเป็นตนอีกครั้งหนึ่งของเราแล้วนะถ้าเราไปบัตรแล้วเรามาเข้าใจในการที่ไม่ใช่ตัวไม่ตนมันก็จะเป็นการที่เรียกว่ามันออกจากความยึดติด ต, ต่างๆได้ไ ด, ได้ได้เร็วและได้ง่ายด้วยไม่ต้องไปเอาดีนะนะไม่ไม่ไม่ใช่แบบเพื่อจะเอาดีนะนั่นเป็นการแทรกแซง อ, อย่างหนึ่ง แทรกสังคือว่าไม่ดีทําให้เขาดีไม่สงบทําให้เขาสงบต่างๆนี่เป็นการแทส้สังทั้งหมดเลยแต่เรารู้ไปตามธรรมชาตินั่นแหละไม่ต้องแปลวาดีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เราก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองจิตเรามันจะไม่มีการดิ้นรนต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ทุกข์ในตรงนั้นเองมันจะเป็นจิตที่มันปกติแท้จริงเกิดจากการที่เราไม่ได้ไปดิ้ น, นรนอะไรเพียงแต่เราเข้าใจในทุกๆสภาวธรรมที่เกิดขึ้ น, นะพอย่างที่ว่าหน้าต่าง ล, ะละาัคณะสูตรที่ว่า รูปเวน่าสัญญาสังขารวิญญาณนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปวนไปเป็นธรำดาควรหรือจะตามคิดว่านั่นเรานั่นเป็นตัวตนของเราและเป็นของของเราไม่ควรตามคิดชนะพระเจ้าข้าเนี่ยหลังจากพระเจ้าได้ส่งแยกระรูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหาตาอย่างไรปัญจวัคคีย์ก็บรรลุเป็นพระหันทั้งหมดนะ อันนี้ก็คือสภาวธรรมอย่างหนึ่งว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราตั้งต้ น, นแล้วนะมันไม่ใช่เป็นการเป็นละอัตตาหรือละกิเลสแต่อย่างใดนะแต่เป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดเท่านั้นเองว่าถอดถอนในความเข้าใจในความเป็นตัวเป็นตนของเราเท่านั้นเองนะเมื่อถอดถอนในตรงนี้ได้แล้วมันก็คือจ ร, จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าเป้าหมายอย่างหนึ่งนะ ที่เราสามารถที่จะถอดถอนเราไ ด, ไ, ดได้ได้ได้มากน้อยขนาดไหนนะเรายิ่งถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นโต้ตนนี้เราก็เดินเข้าเป้าหมายนั้นใกล้เข้าไปแล้วเนาะเพราะว่าการที่เราถอดถอนความเข้าใจผิดในตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นการถอดถอนโดยความเข้าใจจริงๆนะแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร น, นะก็คือมันจะไม่กลับมายึดติดว่าเป็นของเราอีกนะ สมมติว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ให้ตัวไม่ตนของเรา 10% เนะเพราะฉนั้นมันจะไม่กลับมายึดว่าเป็นตัวตนของเราถึง 100% ก็คือมันอาจจะยึดแค่ 90% นั่นคือการบรรลุธรรมนะเพราะว่าการที่เข้าใจเช่นนี้มันเป็นการเข้าใจที่ถาวรที่มันจะไม่กลับมายึดติดร0 0อีกนะแล้วถ้ามันเข้าใจเพิ่มขึ้นถึง 20% ก็คือมันะจะไม่กลับมายึด1 0 0ยอย่างเก่านะแต่มันอาจจะเหลือแค่แ 0% น, grammar, no. 000. นี่การบรรลุธรรมอีกระดับหนึ่งนะเพราะมันจะไม่กลับมายึดมั่น 100% อย่างเก่าแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรด้วยนะถ้ามันไปถึง5 0านะนี่ก็คือมันจะไม่กลับมายึด5 0าอร์เซอ่าไม่กลับมามันจะทิ้งไป5 0านะมันจะไม่กลับมายึดร้อยอย่างเก่านี่ก็คือการบรรลุธรรมอีกระดับหนึ่งนะเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นความเข้าใจแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรนะนี่มันก็เดินเขเข้าเข้าใกล้เป้าหมายแล้ว จากการที่เราเข้าใจในความไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยมันจะไม่กลับมายึดอย่างเก่าอีก1 0 0ยเช่นเดิมอย่างแน่นอนนะเป็นแปลงความเข้าใจที่แท้จริงนะซึ่งมันจะตรงข้ามกับการปฏิบัติธรรมนะถ้าการปฏิบัติธรรมมันไม่มาเห็นในตรงนี้ว่ามันไม่ใตัวไม่ตนของเรามันก็จะวนนะวนว น, วนมันจะรู้สึกบางครั้งแล้วก็ก้าวหน้าไปตรงเยอะแต่บางครั้งมันก็กลับมาที่เก่านะมันก็จะเห็นอย่างนี้อยู่ยบ่อยๆนะคือการวน วนเพราะอะไรวนเพราะเราไม่เข้าใจในความที่เรียกว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไมันเป็นทุกข์เป็นนักตาอ่าเป็นอันนีจังทุกข์ขันาตานะเพราะว่าทุกอย่างมันมันเป็นสภาวะที่เราบังคับก็ไม่ได้เขาจึงมีการเปลี่ยนแปลงนะเขต้องบนกรรมที่เก่าแน่นอนนะมันก็มีความไม่เข้าใจมันก็เป็นแบบนี้นะวนไปวนมาตลอดนะอ่มีความอ่ามีความยึดติดในการปฏิบัติอีกด้วยนะมันก็เป็นสภาวะรมอย่างนั้นไปอย่างเช่นคนเคยปฏิบัติสมาธิก็เคยคุยกับหลายหลยคนนะ สมัยก่อนก็มีคุยกันบางคนบอกอได้แบบรู้แบบนี้แล้วอะไรเงี้ยดีใจมากนะมาคุยตอนเราบอกว่ามันก็หายไปแล้วแล้วก็ตามหาอะไรพวกนั้นอีกนะดูแล้วก็อันนี้ก็เากเขาก็ไม่เข้าใจในสภาวะธรรมเช่นนั้นนะมันก็เป็นสิ่งเขาก็บนอยู่แต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันแสดงว่าไตลักษณ์เขาเห็นแล้วนะแทนที่จะเข้าใจไปไตลักกลับไปตามหาตามหาด้วยตันหาเองนะมันก็เสียเวลามากเนาะ เพราะนั้นนักปฏิบัติถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็กายปฏิธรรมก็กลายเป็นของง่ายนะเพราะเราเข้าใจในภาวะทุกทำทุกอย่างแล้วแล้วมันก็เดินก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะมันไม่ถอยหลังหรอกถ้าเข้าใจมันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆมันจะมันจะเป็นการแค่ถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนเท่านั้นเองแล้วหลังนั้นมก็จะก้าวหน้าไปเองนะเพราะว่าอย่างเช่นสังโยชน์ทั้งสิบนั่นแหละก็คือผู้ใดที่ละสังโยชน์สิบได้ก็จะเป็นพระหันนะละได้สามเป็นพระโสดาละสกิทาคาละได้ห้าก็เป็นพระนาคามี แต่สังโยชน ต, ตัวแรกนะสังโยชอันดับแรกก็คือสักการะทิฐินั่นเองนะก็คื อ, อความที่เรายึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี่แหละเป็นสักการิฏฐิเป็นอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ละการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นสักการิฐินี้ได้ก็เท่ากับเรารล้มล้มล้มด่านแรกนะล้มด่านแรกได้เมื่อเราไม่มีตัวตนแล้วด่านอื่นๆก็จะล้มเป็นโดมิโ น, โนไปด้วยนะแต่ตามใดที่ยังมี สักกัน ท, ที่ก็คือด่านแรกอยู่เพรา ะ, ะนั้นกิเละอย่างอื่นก็ไม่มีทางล้มไปหรอกมันไม่ล้มแน่นอนนะเพราะมันตัวแรกยังอยู่มันก็มีตัวเราเพ ม, มีของของเราอนะ่มีของเราก็มีกิเลสมีอะไรทั้งหลายของเราตามไปเป็นพวนนะตรงนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่ว่าอ่านะเราเราต้องกําจัดด่านแรกก่อนนะเหนะนะมือนกับข้าศึกยกทัพมาสมัยโบราณนะอ่นะาพมายกทัพมานะถ้าเรานะสามารถที่จะฆ่าไม่ทัพได้ก็ยกทัพกลับเลย นะตรงนี้เหมือนกันน ะ, ะถ้าเราโจมตีไปที่เป้าหมายที่แท้จริงของคาสึกคือความเป็นตัวเป็นตนความยึนมั่นถือมั่นแนอะตาตัวตของเรานี่แหละเป็นด่านแรกนี่พอเราทําลายได้เหมันกับทําลายแม่ทัพของเขาได้เขาก็เขาก็สลายไปทั้งกองทัพนั่นเองนะมันก็เป็นแบบนี้นะตรงนี้นะมันไ ม, ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่มันยากอะไรเพียงแต่เราต้องรู้บ่อยๆกลับมารู้สึกบ่อยๆนะกลับมาเห็นบ่อยๆเท่านั้นเองนะ าการปฏิธรรมโดยความลึกตัวแล้วก็คือกลับมาที่รู้ที่กายที่ใจแล้วก็เห็นความจริงในพระไตรักษนั่นแหละมันก็จะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเป็นหนทางรัดที่เราจะบรรลุธรรมได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าเรามีกายและใจตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจเขาได้ไหมว่าเขาเป็นในจังทุกขังนาตานะมันก็จะวางจากความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจได้แทบทั้งหมดเลยในกรูบาาจารย์บอกว่าให้เห็นรูปเห็นนามนั่นเนองเนาะเนี่ยมันก็คือเข้ามามันไม่ใช่กายไม่ใช่ ใจของเราแต่เป็นแค่รูปแค่นามเพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ, ๆเกิดขึ้นมันก็เป็นแค่รูปแค่นามไม่ใช่ของเรานะแต่ในสุดมันก็คือมันวางทั้งหมดนะรูปนามก็ต้องวางด้วยเพราะรูปก็คือรูปนามก็คือจิตนะมนก็มีกายใจอยู่นะในสุดมันก็ต้องวางทั้งรูปทั้งนามด้วยนะนี่เป็นหนทางที่ว่ามันจะต้องอไปดําเนินไปเช่นนั้นของมันเองเนาะแต่เราจะไปคิดเอาเองก็ไม่ได้เนาะมันเพียงว่าเราต้องเข้าใจและเห็นด้วยตัวเองนะเช่นนี้จิตมันยังมือจริงจะปล่อยจะวางได้เอง นะนับแล้นก็ให้เราเห็นบ่อยๆในตรงนี้เนาะในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระไตรน้อมนำให้พวกเราทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเลยพันทุกท่านเธอ